กุโทสวัสดีค่ะท่านฟัง FM 106 ค่ะมาให้ธรรมะกับพวกเรา อุดรธานีจะเปิดธรรมที่ถูกค่ะนมัสการกันเอ่อคารวาศหรือพุทธศาสนิกชน ทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมในกรณีที่ก่อนแนวสมณศักดิ์คือเอ่อสมณะหมายถึงผู้สงบระงับ นะพระราชาเนี่ยมียศเป็นกําลังนะถ้าถ้าคนพาลเนี่ยมีการทําร้ายนะมีความพาลของตัวเองมีความสงบของตัวเองเป็นกําลังคนดีมีศีลเป็นกําลังนะพระราชาก็มียศอิสริยยศเนี่ยเป็นกําลังของพระราชาในการ อาจารย์มีธรรมเนียมประเพณีที่จะมอบให้ก็คือมอบสมณศักดิ์ให้อันนี้ก็จะ<ใช> ไหนซึ่งซึ่งอันนี้ที่เขาทําทํากันมานะ 3 เดือนจะ 3 เดือน ไอ้ปิสุเนี่ยอย่าประมาทนะเปรียบเสมือนกับหม้อที่ช่างสติมีทั้งศีลในการที่จะรักษาสติรักษาศีลของเราให้ดี 4 อย่างนี้นี้ศีล เป็นเกียรติยศของภิกษุนะซึ่งพระองค์เนี่ยมีเต็ม <Okay. S 2> ค่ะก็คือคือตาสว่างอยู่หน้าตาเปิดเป็นตาธรรมะนั่นเองค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเกียรติถึงยศในทางคําสอนของก็ เอ่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเป็นมรรคที่ทําคนธรรมดาเนี่ยนะคุณทําดีขึ้นไปนะซึ่งอันนี้เป็นคุณธรรมสูงสุดใจของเราคนข้างนอกอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นก็ตามนะอืมอ๋องั้น ถ้าทางธรรมแล้วเอ่อเรื่องเกียรติยศกับสมณศักดิ์เนี่ยไม่ใช่ในทางธรรมนะคะใช่มั้ยคะที่มอบ คือสามารถจะให้คุณใครได้ทีนี้พระสงฆ์เนี่ยเอ่อ ครับผมว่าตัวภิกษุผู้ที่ได้ กลายเป็นภาระของพระสงฆ์ใช่ที่จะต้อง ปฏิบัติตนอย่างไรกับพระภิกษุที่เคารพนับถือซึ่งได้รับสมณศักดิ์และมีการเฉลิมฉลองนั้นควรจะพูด <c oughs> สัจธรรมของคุณจอมบูชานะคือบูชาด้วยอามิสบูชาเราก็ทําไปนะส่วนเรื่องสิ่งที่บูชาที่สําคัญเนี่ย หรือว่าเรื่องของการสังคมสงเคราะห์หรือว่าเรื่องของการศึกษาธรรมะการวิจัยเพราะ ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่เข้าถึงคําอืมๆๆค่ะเอ่อในความเนี่ยค่ะอามิสบูชาเนี่ยนะ เอ่อกิจกรรมที่ต้องทําซึ่งก็ควรจะถวายปัจจัย 4 ก็ถวายเงินก็ได้เอ้าแต่ถวายเงินก็จะบอกว่าเงินก็ไม่ได้ก็ควรจะถวายปัจจัย เอ่อถ้าเป็นเรื่องของปัจจัย 4 มอบให้วิทยวัจกรนี่ก็พระพิจารณาอยู่แล้วใช่มั้ยครับเอ่อส่วนเรื่องถ้าเป็นว่าคนจะต้องดูว่า นาย 2 ผืนหรือคะหรือเปล่าคะ 3 ถืร์ 3 ถืร์ 3 ถืร์อ๋อแล้วถ้าท่าน 3 ถืร์แล้วเราไปให้เกินเชื้อท่านคะก็ ว่าพระภิกษุบางรูปเออในในในสวนพวกนี้ <c oughs> เอามาก็โอกาสใช้ได้น้อยอืมๆๆคือถ้าถ้าถวายในลักษณะเป็นสิ่งของค่ะก็คือนะถวายอ่าการ ถวายให้ถูกต้องถวายได้ได้เอ่อถวายอย่างไรจึงแต่พระเนี่ยยินดีในปัจจัย 4 ที่ควรแก่สมณะ ก็เลยต้องมอบให้พระพระก็ไม่เอาทีเนี้ยถ้าไม่ นะแต่ว่าไวยวจกรเนี่ยเป็นผู้ทําการแทนแทนพระในต้องการผ่าน ให้มาช่วยจัดการกราฟิกสู่จะได้ใช่เป็นค่ะคร่าวๆแต่ว่าประเด็นฟัน<ใช> ให้เข้าใจเรื่องโลกเข้าใจเรื่องธรรมอย่างทองแท้เวลาก็คือ 1 ที่ ร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย 4 นะแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยไม่มีธรรมเศ่าหมองๆเกิดขึ้นแสดงว่าภิกษุคนนี้เป็นหรือมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่ามี 10 ล้านอย่างเงี้ย เป็นพระที่ดีนะเราเราดูตรงนี้ด้วยก็ได้นะก็เป็นข้อค่ะและดิฉันก็คิดว่าเราก็ค่ะท่านคะหมด ท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะด้วยความเคารพที่ทําให้เราเข้าใจว่าโลกธรรมเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างไรจึง ท่านเราพบกันใหม่นะคะฟังที่เคารพค่ะเราพบ FM 106 แห่งนี้ราย